ต่อมาดีคนดีต้องมีพอมาสวยจิิงน้าเวลากำางคืนสวยจิิงน้าเวลากำา จริงนาเวลาคลาคืนสวยจริงนาเวลาคลาคืนโพจรไปไหนทาไมจะไม่ส่องแสงเดือนมาแปงแสงสว่างเดลกน้อยรอยมาบังเด็้อยรอยมาบังชามารีคนดีก็องมีกอมาาสวยจิิงนาเวลาคลาคืนสวยจริงนา เวลากลงคืนสวยจังนาเวลากลางคืนพ่อจะไปไหนทำไมถึงไม่สองแสนเพือนมา ฉัน เป็นบุนตาอยมามาทำอย่ามาทำพูดยาแล้เดียวจะว่าไอ้ได้อายวัดกระรมทังคมแงงอนสวามีวาทำไม่ปรับปรับฉันหน่อยได้ไหไมถ้่ได้หวานใจทามีตัวันย่า ไม่ร oh ูเลยหัวใจว่าเวไม่รู้จเ